นิตยสารธรรมะใกล้คอลัมน์ธรรมะเรื่องกรงขังแห่งความคิดโดยอิ่มเอมตั้งแต่จำความน้อย ฉันกลัวการเปลี่ยนแปลงต่างๆกลัวควบคุมไม่ได้เปลี่ยนแปลงต่างๆอนาคตก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรน่าจะต้องกังวลเลยคาดเดา แต่ไม่ว่าคนอื่นๆๆๆ คือเสียดายที่มันเป็นแค่อดีตเสียดายฉันก็เก็บมาคิดได้บ่อยไม่แพ้กันมันเป็นแค่อดีตแต่ฉันนะ ก็เหมือนฉันจะมองๆ จงปล่อยอดีตให้เป็นอดีตถ้าเราเผลอให้ความคิดของเราที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตมาจัดติดต่อกันเป็นห่วงโซ่แล้วก็หมายความว่าติดต่อกันเป็น ในอดีตและอนาคตอดีตและจากนั้นมาทำไมเริ่มศึกษาหาแนวทางปฏิบัติไม่เคยมอง ฉันคือการมีสติตามรู้จิตใจตามความเป็นจริงจะปฏิบัติธรรมตามปี ความคิดกังวลในเรื่องอนาคตก็น้อยลงฉันมีความสุขอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นกังวลในเรื่องอาการแบบนั้นก็เริ่มน้อยลงก็ๆ ไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายมันก็จบ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของฉันหลังๆ ฉันรู้สึกว่าจิตใจเข้มแข็งขึ้นพึ่งตัวเองได้มากขึ้นหวังว่าจะมีใครเข้ามา ฉันก็กล้าที่จะอย่างไรก็ตามอะไรอะไรได้มากขึ้น ฉันก็ยังคงเศร้าเสียใจร้องไห้เป็นบางครั้งคง 3-4 ภาคเพียรตามรู้ตามดูจิตจบหลักสูตรของพระพุทธศาสนาล่ะความสุขจะมากมายขนาดไหนกันนะ